นช่วงเช้านี้เราคงจะได้เน่วันวันนี้คงจะได้ปฏิบัติไปทำดาก่อนตอนเย็นจะมีการประทบนิเทศหลังจากที่ทุกคนมาพร้อมแล้วช่วงประทุมนิเทศเราก็จะตกลงกันว่าใครจะเอาแบบไหนในช่วงเจ็ดวันนี้นะ ใครจะปฏิบัติธรรมดาใครจะเก็บอารมณ์เข้มใคจะ <c oughs> เก็บอารมณ์ปานกลางอะไรใครตกลงกับตันยินเพราะเราจะได้ตอบสนองก็ได้ถูกทางเพราะว่าเราแต่ละคนต่างมีประสบการณ์กันมาทีนี้เราก็จะแบ่งว่าผู้ใดยังเพิ่งมาใหม่ผู้ใดเคยปฏิบัติมาแล้วจะแยกกลุ่มปฏิบัติกันไปเลย <c oughs> เพอเวลาเรามีน้อย อันนั้นในช่วงข้อนี้แล้วว่าเป็นข้อที่พิจารณาตามอินทรีย์และประสบการณ์ของแต่ละคนแบ่งเป็นอย่างน้อยว่าสองกลุ่มสามกลุ่มกลุ่มที่เพิ่งมาใหม่กลุ่มที่ปฏิบัติเคยปฏิบัติมาบ้างแล้วกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์มามากแล้วอย่างน้อยก็เป็นสามกลุ่มนะี่ยคนที่กลุ่มที่เพิ่งมาใหม่ก็จะ ทำแบบใหม่หมดก็ ค, คือหมายถึงคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยก็จะปฏิบัตินิดหน่นนอยก็จะเหมือนเริ่มต้นใหม่หมดแต่สำหรับคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วบ้างเนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบว่าเข้าใจรูปนามหรือยังถ้าเข้าใจรูปนามแล้วก็จะให้เก็บอรมณ์เลยหรือถ้ายังไม่เข้าใจรูปนามก็ อ, อย่ในกลุ่มปานกลางตง้องอาจจะอยู่สักสามวัน4วันก่อนแล้ว่าเขาเก็บอารมณ แต่คนที่เข้าใจลูกนามแล้วก็จะเข้าเกี่ยวบอลลูเข้มเลยอย่างี้นะก็ยังตรวจสอบตรงนั้นด้วยแตนีดังนั้นวันนี้เวลาวันนี้ก็องทากันไปรอขึ้นไปก่อนวันนี้นอถึงจะเย็นอมารวมกันเราขึ้นมาคัดสรรกันว่าใครมีอินีระดับไหนเพื่อจะให้แต่ละคนได้ไปตามความสามารถของตัวเองได้ถูกต้อง ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ต้งพูดเก่าพูกใหม่รวมกันไปหมดมันก็ทำให้ <c oughs> ดึงกันไว้คนที่จะไปข้างหน้าก็ไม่ได้แต่คนที่ตามมันจะไม่ทันมันก็จะทำให้เราเสื่อประโยชน์ของเราทีนี้แต่ละระดับหรือ แ, แต่ละกลุ่มก็จะมีทางของตัวเองดราความเข้าใจของเราเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเจริญ ปัญญาหรือเกจริญสติแบบนี้ <c oughs> ต้องมีอะไรที่เป็นทางเของมันหรือเป็นทางของอริยมรรคคือทุกคนก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของตัวเองแล้วไปตามความเป็นจริงของชีวิตเราจะไม่มีการที่จะมาเมคอัพโปรโมทโฆษณาอะไรที่มันเกินจริงแต่ว่าเราจะทําตามความจริงของแต่ละคนที่มีอยู่เทราะนั้นในช่วง คัดบอกอารมณ์เพื่อไปสู่กลุ่มหรือทางของตัวเองภายในจิตวิญญาณก็จะบอกตัวเองตางมความจริงแล้วก็ต้องช่วยกันว่าความจริงเรามีแค่นี้นะเรารู้แค่นี้แหละมันก็จะได้เพิ่มกันได้ถูกแต่ถ้าเกิดบอกความจริงของตัวเองที่มีอยู่ไม่ถูกก็แสดงว่ายังสับสนอยู่ต้องต้อดนใหม่ น, นี่คือในวิธีการข อ, ของพะเทียนที่ท่านทํามาก็จึงมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการอะไรคือเป้าหมายที่เราต้องการคือความไม่ทุกข์เป้าหมายสูงสุดคือความไม่ทุกข์แไม่ใช่ไม่ได้บอกไว้สุขนะว้ะสุขมันไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีถ้าจะมีก็คือมีแต่ไม่ทุกข์ พระสุกระพุกมันมีเหมือนกับเงาเนี่ยถ้าหาก็เปิดไฟขึ้นเราบอกสว่ า, วางปิดไฟลมเราบอกมืดใช่ไหมแต่พอมาถึงตอนกระวนผ้าที่ขึ้นมันมีมืดมีสว่างไงนั่นแหละเขา เ, เราียกภาวะไม่ทุกมันภาะวะสว่างถาวรนัแ่แปลว่าทาํทามธรมธรรมชาติมันก็สว่างแค่12ชั่วโมงของมันนะแต่ใจของเราสามารถเป็นสว่างถาวรได้ เมื่อสว่างเทาว่นเรามันก็จะไม่มืดมันก็จะไม่มีมืดเ่าไปแต่ว่าจิตของเราก็ยังเป็นที่ผ่านของการมืดการสว่างอยู่เข้าใจไหมเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยมันเคยดับหมสองสามล้านปีแต่โลกนี้ก็ยังมีมืดมีสว่าง โลกนี้เป็นที่ผ่านของมืดและสว่างเมื่อใดพระอาทิตย์โคจรมาเขารู้ว่าอุสว่างเมื่อใดพระจิตโคจรรับไปเราก็พบมืดแต่จริงๆโลกนี้มีมืดมีสว่างไหมก็มีอันนี้คือเรื่องของจักรวาลในตัวเราก็เหมือนกันไม่ต่างจักรวาลข้างนอกเลยตนั้นเองการมาศึกษาบางวันหัวใจมืดวันบางวันหัวใจสว่างวันบางวันหัใจสุขวันบาวันใจทุกข์วัน เราเข้าใจความจริงแล้วเราก็จะไม่เข้าใจอย่างนั้นต่อไปสว่างขึมืดก็มีค่าเรากันเพราะมันเปลียงปรากฏการณ์ที่ผ่านไปแล้วผ่านมาของดวงอาทิตย์เท่านั้นใช่ไหมไม่มีมืดทาวนไม่มีสว่างทาวร์โลกเนี่ยแต่พระอาทิตย์มันมีสว่างทาวนเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงที่จะดึงพระอาทิตย์ในตัวเองขึ้นมาให้ได้นั่คือการปฏิบัติของเราพระอาทิตย์ดวงนั้นเราเรียกว่าสภาวะ สัจธรรมดยความจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ลึกมันถูกบดบังด้วยอะไรบางก็ไปดูนะทีนี้เราจะต้องเอาสิส่งที่บดบังออกเท่านั้นเองเพราะว่าสว่างเพราะว่าที่ไม่ทุกเนะี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ทำไมมันถึงไม่ปรากฏเพราะเราอะไรไปทับถมมันมานานแต่คนมีอายุมากก็ทับถมมานานเพราะเรื่องราวที่หดแล้วเรา คิดพอใจไม่พอใจตั้งแต่เล็กๆเกย็นมาถึงวัย จ, จุวันนั้นนะคือตัวชั้นบรรยากาศที่ไปวบังแต่แต่คนไหนที่เพิ่งอายุสิบฝ่ายยี่สิบฝาก็ยังไม่พบมากเท่ะเขาก็จะลื้อออกไม่นานเขาจะเจอแล้วเขาจะมีความสว่างได้นานเขาเราเยอะแต่พวกเราที่เคยทับถมตัวเองมาด้วยความพอใจไม่พอใจขึ้นค้อนชีวิตนี่นะใช้เวลา ใช่ไหมเราไม่มีใครมาทําเรานัเราทําเราเองแต่เราไม่รู้ไงด้วยอวิชชาด้วยควไม่รู้เราถึงทํำแบบนั้นแต่มาที่นี่เรามาต้องการให้มันรู้ว่าจะเอาลือถอนของเก่าหรือไงแล้วก็ไม่ทับถมของใหม่ลงไปอย่างไรนี่คือมาศึกษาเรื่องนี้ชีวิตจริงๆแล้วมันก็ไม่ทุกนะแต่ที่มันทุกเพราะเราไม่รู้นั้นเองเราก็เอาตัวไม่รู้ออกแต่ตัวไม่รู้ก็ไม่ไม่มีคาว่าที่เป็นตัวตน รล้มันก็ไม่เป็นาวะที่ปโดด่วนเมันออกได้อย่างไรเออนี่สิ่งนายศึกษานะดันนั้นในช่วงเย้าเช้าเนี่ยเราก็จะฟังเนี่ยฟังธรรมแบบนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็านั่งปฏิบัติแล้วก็ฟังครมเป็นทฤษฎีหลักการเอาไว้เพื่อเราจะได้ไม่สงสัยกลางวันเราก็ทำเต็มที่จะจไปถึงต้นเย็นต้นเย็นก็จะ เป็นการสอบอารมณ์เป็นการชี้แจงทําความเข้าใจของครูบาอาจารย์ตอนเชา้ชาเชา้ชาอย่างนี้แล้วก็อา <c oughs> จานย์มุน <c oughs> ครูบาอาจารย์อื่นมาช่วยนมุนหลวงพ่อเขียนบ้างพ่อคำเขียนบ้างหรืออาจารย์ใดที่ท่านพูดถึงเรื่องเดียวกันเลยนะเรื่องสตินี่แหละเราจะไม่พูดเรื่องอื่นแต่อาจารย์ไหนก็ได้มาพูดเรื่องนี้แต่พูดในเรื่องสมาสตินะบางสํำนักพูดถึงเรื่องสติเหมือนกันแต่มีใายสติ สติเป็นเปนเพื อ, อย่างอื่นไม่ใช่เป็นไปนเอื่อเห็นตัวเองเพราะนั้นครูอาจารย์รูปใดก็ตามที่พูดถึงเรื่องสมาธิกับข้อมูลดูตัวเองอย่างถูกต้องแล้วก็จะนิมนต์ท่านมาช่วยแต่ต้นเย็นนี่ก็เป็นหน้าที่ของาพี่เลี้ยงครูอาจารย์ที่ท่านมีประสบ ก, การณ์จะมาเล่า ใ, ให้ฟัง น, นี่คือหลักการที่เราจะใช้แต่ว่าสําหรับผู้เก็บอารมณ์เข้มนั่นจะ ฟังแบบนนี่ค่อยตก่ลงในที่นะเพื่อให้เราไม่เสียประโยู่ทั้งสองด้านอาจารย์สุพีพูดในเช้าทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหก็ง่ายๆเพราะท่านไม่ได้พูดด้วยความคิดท่านพูดด้วยความประสบการณ์ความจริงที่ท่านมีอยู่ในตัวคือทุกคนนะ่ะถ้ามีประสบการณ์ในการสมาสติที่ทถูกต้องก็จะเหมือนกันทุกคนนะแต่ว่าใครจะถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาไหนเท่านั้นเอง ใครจะเข้าใจถ่ายทอดมันก็เป็นศิลปะแต่ละคนแต่เราวันหนึ่งที่เราเข้าถึงตัวสมาสติอยู่นั้นเราก็ก็เหมือนท่านนั่นแหละแต่เราจะมีภาษาของเราเองอย่างอาจารย์สุพีนี่ท่านผ่านภาษาปริยัตมายเยอะท่านก็ใช้ภาษาปริยัตเข้ามาแทนสภาวะแต่คนไหนที่ไม่มีปริยัดก็มงงแต่คนไหนมีปริยัตแล้วก็ฟังง่ายเพาว่าปริยัตคือเรื่องตัวหนังสือนะภาษาเรื่อง อาวียาศัสตร์เรื่องอทุกสมุทัยที่โลดมากเรื่องสมาธิพวกนี้มันเป็นศัพท์ภาษาทางตำราทั้งนั้นจะได้พูดถึงเรื่องความสบายที่แท้เป็นยังไงความสบายที่เทียมเป็นยังไงความสบายกายเป็นยังไงความสบายใจเป็นอะไรความไม่สบายกายมาจากไหนความไม่สบายใจมาอย่างที่เป็นภาษาสภาวะี่ฟังแล้วสบัดได้เลย น, นในวิธีการอลวงเห็นมักจะใช้ภาษาแบบนี้ภาษาของสภาวะแต่กูบาจันหรือที่ท่านผ่านปริยัตมาเลียท่านก็มาใช้ภาษาตำลาภาษาบาลีซึ่งถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์หรือ่อได้เรียนรู้มาจากปริยัตเราก็ฟังเราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะว่าเล้อ เ, เป็นเทคนิคเกินถึนะแต่ถ้าพูดแบบหลวงพ่อก็คือแบบอย่างที่ว่า สมมติว่าเราบอกว่าทุกขาริยาสัตว์เราบอกว่าทุกแทะเงี้ยทุกขเวทนาเราบอกว่าทุกเทียมนนง่ายกว่าใช่ไหมทุกขเวทนา่านบอกว่าทุกเทียมเพราะว่าอย่างสมมติรปวดขาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกแท้เพราะอะไรเพราะพลิกง่ยปวดขาขก็หายแล้วมันไม่ใช่ของแทะพอพลิพกมันก็หายแล้วเราเรียกว่าทุกเทียมแต่ทุกแท้เป็นไงโอ้เมื่อวานก่อนมาถึงที่เนี่ยเพื่อนมันว่าสช่แย่เลย ไอ้คุณเป็นหนุ่มเป็นแน่นคุณไปทำทำไมภาวานาเป็นเรื่องของคนอกหักรักร้าวเป็นเรื่องของคนโอหกหักหลักรอยคอยงานสังขารเสือ่อมคุณยังหนุ่มมีการมีงานคุมาทำงนไมโอ้เราคิดหนักเลยทีนี้คิดมาจนปน่านี้มันยังค้างอยู่ในใจอยู่เลยนี่เขาเราียกว่าทุกแท้พรามันอยู่นานเข้าใจไหมอ่ะริยมถูกสามีหรือถูกแฟนด่ามาจากบ้านอย่างเยังคิดตึงอิดตึงอิดทุกวันเลย ใช่ไหมเผือไม่ได้เผื่อไอ้ความคำพูดนั้นแยบเข้ามาอีกนี่เขาเรียกทุกแท้เพราะอะไรเพราะมันค่อนข้างยากยืนถ้าเผื่ออะไรมันมาเมื่อนั้นแต่ทุกเทียมนี่หิวก็ไปกินนึกว่าหายหิวใช่ไหมปวดก็พลิกสึกว่าหายปวดทุกเทียมเพราะนั้นทุกเทียมนีสสัตว์มันก็มีนะ มานอนที่นี่นานๆมันขี้เกียจเมื่อรู้ไปถึงอื่นก็บำบัดทุกข์เหมือ น, นกันเวลาหิวกม็มันก็เดินเศร้าๆไปหายินอายวก็มานอนต่อก็เล่นเงินต่อเพราะฉะนั้นทุกเทียมไม่มีได้ทุกสัตว์ทุกตัวตนทุกคนแต่ทุกแท้นี้มีได้เฉพาะมนุษย์ผู้มีอุปทานรุ่นไหนที่มีอาวิชาการหาวุทานก็จะมีทุกแท้ตัวนี้อยู่แต่มนุษย์คนไหนสิ้นอวิชาการหาวุทาน มนุษย์นั้นก็สิ้นทุกแท้แต่ยังมีทุกเทียมอยู่เพราะอะไรเพราะอาหารท่านก็ยังปวดใครอ า, าหารท่านก็ยังหิวอ ย, อยู่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเขากลิ้งหินตกลงมาจากเขาตกใส่เท้าท่านแตกท่านก็ยังให้หมอชีวุกรักษาอยู่เพราะนั้นทุกเทียมเนี่ยบำบัดมันไปตามเหตุปัจจัยเพราะทุกคนมี ไม่ว่าคุณรู้ทำไม่รู้ทำแต่คนที่รู้ทำแล้วมีแต่ทุกเทียมไม่มีทุกแท้เพราะทุกแทะมาจากเหตุคือตัวไม่รู้ตัวอยากตัวยึดไงแทะเมื่อไรเอาตัวไม่รู้ออกไปเสื้เอาตัวอยากเอาตัวยึดออกไปเสื้ทุกเถียมทุกแท้ก็หมดภาะวะที่หมดเหล่านี้ไปเราเรียกอะไรอ่ะเรือเรือไม่ทุกใช่ไหมแต่ก็ไม่สุขนะ พวกยังมีทุกทเทียมเล่นงานเราอยู่แต่เราจะบัญญัติว่าอะไรว่าพ้นทภพว่านิพพานว่าวีมุตอะไรก็แล้วแต่บัญญัติกันไปแต่มันก็คือไม่ทุกอั่าเองเข้าใจไหมอ่าไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ที่มันยากเพราะมันพูดไม่เข้าใจสมัยครั้งวุฒิการว่ราท่านพระองค์แสดงธรรมจนะุ่ม ก็มีคนบรรลุธรรมทั้งไม่ว่าขั้นโสดาซีนะขันอะาคารหันไดนะ้แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนคนไหนที่มีปัญญาสูงมากก็บรรลุธรรมสูงสุดเลยคนไหนมีปัญญานิดหน่อยก็เข้าใจนหน่อ ย, อยความเข้าใจแต่ละขั้นแล้วเข้าใจแล้วสามารถสร้างความไม่ทุกข์ระดับนั้นนั้นให้แก่ตัวเองได้นั่นเองก็เรียกว่าบรูลุธรรมไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยเลยช่ไหม แต่เราไม่เข้าใจออกมาประโมทโฆษณาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเราก็อยากล่ะทีนี้ใช่ไหมอยากได้พราะน่นก็เลยทําให้เข้าใจกันผิดพลาดดังนั้นในพวกที่พูะหลวงพ่อทําก็ดีคือพยายามที่ใช้ภาษาสภาวะเพราะภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจได้แต่ภาษาปริยัติก็จําเป็นเพราะเป็นภาษาตาําราแต่ถ้าหากผู้พูด เข้าใจทั้งสองอย่างก็ดีก็จะทําให้เราเห็นว่าเออปริยัติเขาว่าอย่างนี้นะทัาปรามัดหรือทางสภาวะเขาว่าว่าอย่างนี้นะมันก็จะไม่ผิดหลักการแต่คนไหนที่รู้แต่สภาวะแตไม่รู้ปรามไปรู้ปริยัติก็เออวลาเราไปฟังธรรมจากท่านอื่นเขาใช้ทั้งปริยัติทักสภาวะแต่เราก็งงใช่ไหม น, นี้คือผลดะงนั้นในช่วงที่เรายังเดินทางอยู่ เราก็าจำเป็นต้องได้รับฟังสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสติปัญญาของเรายังไม่สมบูรณ์ก็เหมือนที่ว่าน้ำานอยู่ใต้ดินถ้าสมมุติว่าธารมะุบเจอของธามาอันเขากินของตามาเท่านั้นเองคนอื่นมากินร่วมไม่ได้นะแต่ให้ชิมได้อยู่เดี๋ยวนี้คุณเอาไปลองชิมดูสักขวดคุณน้ำนี่ อร่อยแล้วกินแล้วมันไม่ทุกข์เลยนะยังไงผมยะได้กินแต่ละตะคุณก็ไปขุดของคุณหรือคุณก็มีอยู่แล้วเนี่ยเร่จะมอกินของฉั น, นมันก็เอาไว้เขาขายห้องหกือนอันนี้เขาเรียกว่าน้ำภายนอกเนี่ยแบ่งยังกินได้แต่น้ำอมฤตรธรรมเนี่ยต้องขุดบอกใครบอกมันเพราะไม่รู้ว่าเราจะหิวอะไรใช่ไหม แต่มัวหิวขึ้นมาไปรอหลวงพ่อไม่มาเมื่อไหร่จะได้กินน้า mm hmm. <laughs> ตายพอดีนะแต่ถ้าเราขุดของเราเองหิวมาแล้วก็ตักรีเมานั้นใช่ไหม mm hmm. มันก็สบายกว่าเพราะนั้นเราก็ต้องขุดของเราให้เจอแต่จากขุดของเราลงไปเนี่ยถึงชั้นน้ําเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะหน้าฝนก็เจอไวนะ้น mm ่อ hmm. ใช่ไหมเพราะหน้าแรงมันแห้งไนงะอ่า ทีนี้เราจะขุดบ่อเพื่อไม่ว่าหน้าฝนหน้าแรงมันไม่แห้งเลยเนี่ยเราต้องการไปถึงจุดนั้นใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าน้ําไม่ใช่สายน้ําที่แท้จริงเนี่ยหน้าฝนมันก็ขุนหน้าแรงมันก็แห้งนะแต่พอเจอสายน้ําที่แท้จริงเนี่ยหน้าฝนมันก็ไม่ขุนหน้าแรงมันก็ไม่ขุนเพราะมีระบบป้องกั น, นทั้งมันทีนี้บางคนมันก็อยู่ลึกถึง10เมตรบงคนถึง20สิเมตร หาเมืคนเจอขุดไป5้าเมตรเจอแล้วไงเพราะนั้นเขาเรียกว่าหนาบางไว้เทนะ่ากันเยอะเพราะนั้นคนที่อยู่ลึกๆเขาเรียกว่าอะไรปุตุชนคือหนาต้องใช้เวลาขุดนานนะแต่คนที่เป็นมีวัฒนธบารมีมาเหมือนก็บอกขุดบ่อน้าไม่ลึกอะขุดไปไม่เท่าไหร่ก็เจอละขุดง่ายได้แต่คนหนานี่ค่อนข้างขุดยากจากเจอ ชันดินเกิดไปเจอชั้นทายจากชั้นใช้ไปเจอชั้นหินเจอชันหินไปเจอชั้นดานโอ้โหบางทีต้องได้ระเบิดกันเลยนะอัจจะเจอน้ําใช่ไหมแต่พวกเราที่คนหนุ่มๆมานี่ก็อาจจะชั้นหินชั้นดานอาจจะไม่หนาเท่าไหร่แต่ชั้นดินไม่รู้กันหนาเท่าไหร่แล้วแต่ว่าวันๆเราคิดเรื่องอะไรบ้างอย่าลืมว่าสิ่งที่เราคิดประจําวันะมันมีมันเพิ่มความหนาเรานะเพราะอะไรเพราะเราคิดด้วยความไม่รู้อ่า แต่ถ้าเราคิดด้วยความรู้เนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้เพิ่มของใหม่แล้วก็ไปขุดอะไรของเก่าที่มันเคยสังสงไว้เนี่เพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติมันก็จะมีผลดีอย่างน้อยเราคืไม่เพิ่มของใหม่เข้าไปแล้วก็ค่อยขุดของเก่าออกบางคนขุดแค่เจ็วันเรเจอแล้วบางคนบางคนสามวันเจอน้ําแล้วแต่ยังไม่ได้น้ำจริงเท่านั้นเองสมมุติว่ามันมีชั้นบรรยากาศที่ไปถึงน้ําสักห้าชั้นอย่างนี้นะฮะ เรามาขุดได้สักงามชั้นะขุดต่อไปได้อีกชั้นหนึ่งขุดต่อไปวันหนึ่งก็ไปถึงจุดนั้นเมื่อเจอน้ําแล้วนี่เราจะทําไงให้บ่อของเราปลอดภยัยให้บ่อของเราสะอาดจะทำไงให้ดึงน้ําขึ้นมาใช้สะดวกก็เป็นเทคนิคของเราแะเช่ไหมโบราณเขายังไม่มีเครื่องดูดเครื่องสูบเขเจอบ่อเขา เ, ขาเอาดินกี่ดินขอมาก่อเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาเพื่อการดินกัารายไม่ให้น้ําันขูดใช่ไหม <c oughs> น้ําก็ใสนา้าลึกอล้แต่เดี๋ยวนี้แล้วก็เวลาตัดขึ้นมาใช้ที่ต้องใช้อะไรเชือกมัดเพราะเรลี้ยงน้ําทุ่งมานะเราวิจายน้ําทุ่งน่ะทีเชือกมัดไอ้กระป๋องสังกะสีนะตัดขึ้นมาที่ะกระป๋องกระป๋องก็จะได้โอ้เดี๋ยวนี้ขอพัฒนาไม่ต้องใชนะ้อะไรกระป๋องตักแล้วติดเครื่องไฟไฟ้าลงไป กดสวิตชจืดเดี๋ยวหนาวขึ้นอะไรก็ได้เห็นไหมนี่คือสมัยปัจจุบันการปฏิบัติธรรมมันก็มีเทคโนโลยีแบบเดียวกันแต่ส่วนเจะจะเป็นเทคโนโลยีแบบไหนขึ้นตัวประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนที่จะเอาไปใช้เมื่อเราไปพบสัะจธรรมแล้วนะประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดที่เราผ่านมามันก็ไม่ไร้ประโยชน์นะมันก็เป็นเครื่องมือที่จะให้เราเอา น้ำออามฤรืของเรามากินได้ง่ายกินได้เยอะเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์นี่คือความหมายของการมาปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติแล้วกี่ปีกี่ชาติไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ไปรู้มาโอ้เลืกเสียเวลา <c oughs> แต่ในช่วงที่เรายังไม่รู้นี่นะเราก็จะไปคิดเอาเองขุดมันไปเรื่อยๆขุดลงไปเรื่อยๆไอ้คาว่าขุดในภาษาบาลีท่านใช้ว่าขะนาติเคยได้ยินไหม ขันติขันติโกแต่ว่าถ้าเอามาใช้กว่าขันติเนี่ยเข้าใจใช่ไหมความจริงก็คือขันติเวลาเราเขียนเวอร์ชันไทยก็คือขันตินั่นเองมันแปลว่าอะไรขันติแปลว่าอะไรความอดทนความอดกั้นนั่นแหละการขุดนั่นแหละการที่เรามีความอดทนอดกั้นเรากำลังขุดแล้ววันๆเราอดทนอดกั้นต่ออะไรบ้าง อดกันทุกทั้งสองระดับทุกทางกายก็ต้องอดกันใช่ไหมทุกทางใจเดี๋ยวความคิดเรื่องนั้นมาเดี๋ยวความคิดเล็วนี่มาก็ต้องอดกันเหมือนดูมันรู้มันเห็นมันมันมาเราไม่ปฏิเสธและในขณะเดียวกันเราก็ไม่ยอมรับแต่ศึกษามันดูมันจนกระทั่งเห็นความจริงของมันไอการที่เราทนต่อการศึกษามันดูมันจนกระทั่งมันหายไปนั่นเรียกว่ขุดหละ เดี๋ยวในวิธีขุดทางธรรมนะวิธีขุดทางรูปธรรมก็คือใช้เสียมใช้จอบใช้สว่านใช้รถใช่ไหมขุดไปไปใช้เครื่องมือแต่ทางธรรมก็ชี้ใช้เครื่องมือทางธรรมใช้นามมาทำเหมือนกันนามาทําก็ต้องใช้นํามาทําขุดรูปประธรรมก็ต้องใช้รูปประธรรมขุดดังนั้นเราจึงมาปฏิบัติเพื่อฝึกใช้เครื่องมือทางนามมาทําเพราะฉะนั้น เครื่องมือตัวแรกที่สุดที่พระเจ้าให้ใช้คันติปรมังตโปูตีตีคาคันติคือความโดกลั้นเป็นเครื่องขุดอย่างยเย่ยอหยิ่มเห็นไหมตอนแรกพระนบางหลักการไว้ว่าอะไรสัพพะปะภาษากรรณ๊กอย่าเอาเรื่องที่ไม่ดีมาคิดในช่วงปฏิบัตินะอย่าเอาเรื่องอะไรที่อดีตในอดตที่มันไม่ดีอย่ า, อามาคิดสองอุศลสูษุไปสัมปท达 แม้แต่เรื่องดีๆถ้ามันไม่จําเป็นก็อย่าเอามาคิดเห็นไหมนี่ท่านวางหลักการไว้แล้วสาสัจจิตปริโยธาปนังเมื่อทั้งเรื่องดีไม่ดีเราห้ามมันไม่ได้มันต้องมาใช่ไหมเรารู้มันไม่ดีแต่ว่ามันห้ามมันได้เพราะมันเป็นเป็นอนัตตามันเกิดเหตุเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัย แต่หน้าที่ของเราต้องสะจิตจากประนะคเราต้องสลัดทิ้งทันทีนะฉันไม่ได้ห้ามแก่มานะแต่ฉันก็ไม่ได้เลแก็ไว้นะแต่อันไหนไม่จําเป็นฉันสลัดทิ้งเลยอแ น, น่นอนใ น, นตัวแรกไม่จําเป็นแน่นอนนะ่ะคือเรื่องอะไรก็ตามมาแล้วทําให้จิตของเราเศร้าหมองนะจาเป็นไหมที่จะเก็บไม่จําเป็นแต่บางเรื่องมันมาดีด อ่าทำไงนะเพื่อนเราจะได้มาปฏิบัติแบบนี้บ้าง <c oughs> ทำไงนะเพื่อนจะได้มาฟังหลวงพอง่อ้ังนะคิดไปดีไหมดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจําเป็นต้องใช่ไห ม, มไม่จําเป็นเพราะมั น, มนยังไม่มีเพื่อนมันยังไม่มาเลยใช่ไหมอย่าว่าจะไปชวนเดีย๋ยวว่าจะไปชวนมันไม่ไม่อยากด้ว่องไปก็เราคิดไปเปล่าๆพี่ๆคิดดีนะแต่ว่ามีประโยช น, น์ไหมไม่มีจำเป็นไหมไม่จําเป็นก็อย่ามาคิด แม้แต่ดีแล้วก็ตามสลัดทิ้งทั้งสองอย่างเลยนี่คือเสจิตแตกไปท่านวางรักษวาวางไว้แค่สมหลักการเท่านี้นะแต่พอมาแยกเป็นพระไตรปิฎกเป็นสปิฎกแปดหมพนมคันแต่ต้นมันแค่เรื่องสมเรื่องแค่นี้นี่คือดังนั้นคําสอนหลวงพ่อเทียนถ้าจะทําเรื่องมากให้เป็นเรื่องน้อยและทําเรื่องน้อยให้เป็นเรื่องจริงเข้าใจไหมนี่คือหลักคําสอนหลวงพ่อเทียนที่ต่างเพื่อนมากเลย ถ้าในะวิธีการื่นเรื่องมากก็ยังเป็นเรื่องมากอย่างนั้นแหละจะไม่ทําให้เรื่องเป็นเรื่องน้อยได้ยังไงพอมาทําเป็นเรื่องน้อยจะทําให้เป็นจริงอีู่แล้วาก็ยังไม่รู้แต่วิธีการหลเทียนท่านให้บอกเราเรียบร้อยเลยนี่คือความวิเศษที่เรามามีเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะเข้ามาวงจรในวิธีการลำเที่ยวเ้มาถือว่าคนนั้นเป็นคนมีบุญวาสนาแต่จะวาสนาจะน้อยใช่ไหมมามาขุดดูก็แล้วกันว่า <c oughs> หลักการสาอย่างนะ้อันที่สี่ได้ขึ้นมาเลย ขันติปรมังตะโปตีติ่านี่วิธีการอันที่หนึ่งเลยขันติคือความโอดกลั่นเป็นทางเพิ้นเครื่องมือขุดดังวิเศษต้องมีเสียมใช่ไหมต้องมีจบเสียงจะจอบหรือเสียมจอบที่ใช้ขุดจะคมหรือไ ม, ม่คมมาดูข้อต่อไปอนุปวารโอนุปคาโตในใจของเราเนี่ย อนุปวาตัอนุปคาตักันไม่พูดร้ายกันไม่ทําร้ายการไม่คิดร้ายเราสกัดกั้นได้ไหมสกัดกั้นได้ก็แสดงว่าคมมากขอสมควรแล้วน ะ, ะถ้าสกัดกันไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่คมพอคุณก็ต้องไปรับไปแหลงไปตีไ ป, ไปอะไรให้มันคมนะคนเราเนี่ยการพูดร้ายทาร้ายต่อผู้อื่นเนี่ย เรามีกฎหมายมีวัฒนธรรมมีสิทธิธรรมป้องกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่การพูดร้ายการทําร้ายตัวเองเนี่ยมีกฎหมายมีสิทธิธรรมไหมมาห้ามเรามั้ยไม่มนีนี่แหละการไม่การพูดร้ายทําร้ายต่อคนอื่นมีกฎหมายมีสิทธิธรรมป้องกันเรียบร้อยไม่ต้องห่วงแต่การพูดร้ายการทําร้ายต่อตัวเองทำํำตลอดเวลาเช่น การตอบสนองต่อความอยากของตัวเองคือการทำร้ายตัวเองแล้วคิดดูว่าคุณได้ทำร้ายตัวเองมานานแค่ไหนทุกครั้งที่เราตอบสนองต่อความอยากตอบสนองต่อความตัญหาของตัวเองนันคือการทำร้ายตัวเองเห็นไหมการไม่พูดร้ายการไม่พูดร้ายแน่นอนคุณเป็นคนมีการศึกษามีวัฒนธรรมดีคุณไม่พูดร้ายต่อใครแน่นอนแต่คุณพูดร้ายกับตัวเองสิ่งที่มันคิดอยู่ข้างในนใช่ไหม ไอสิ่งที่ไม่ดีที่คิดขึ้นมาเนี่ยเรียกวพูดร้ายให้ร้ายกับตัวเองตำหนิตัวเองดูหมิ่นตัวเองแล้วก็ดูถูกตัวเองหรือบางทีตรงกันข้ามยกย่องตัวเองบูชาตัวเองหลงตัวเองพูดร้ายแต่ไปเจอคนที่พอๆกันกูกับมึงก็พอๆกันนะรู้พอๆกันนะเขาเรียกตรงนี้เรียกว่ามานะทิฐิ สำคัญจนว่าต่ำกว่าเขาสำคัญจนว่าสมือเขาสําคัญจนว่าดีกว่าเขาโดยนี้คือการพูดร้ายกับตัวเองในกลุ่มนี้ท่านเรียกว่าตัณหามาณทิฏฐิร้ายกาจมากตัณหามาณทิฏฐิตัณหาคือความที่เราอยากจะทําตามอยากของเราคือการทำร้ายตัวเองมาณทิฏฐิก็คือการพูดร้าย เทียบเทียบแบ่งตัวเองจากคนอื่นฉันดีนะฉันไม่นีนะ <c oughs> อะไรนะอะไรทั้นั้นเนี <c> ่ <oughs> แต่ว่าเราไม่ทําอย่างนั้นนี่การไม่พูดร้ายกายไม่ทําร้ายก็คืออย่าไปยกตดยว่าต่ำคนอื่นสูงกว่าคนอื่นที่เสมอคนอื่นรูว่าตัวเราเองคือรูป ก, กับนามเรานี้ที่เราไปเทียบเทบุืนเพราะเราไปติดสมมติ นั่นคือรายละเอียดต่อไปที่เราต้องปฏิบัติตอนนี้ยังลงลึกตรงนั้นไม่ได้นะแต่ซิมเพิลให้ดูด้วยอย่างว่ามันก็มือนนี่นี ล, ละจะขุดพวกนี้ออกนะชั้นแรกนะดูแลเป็นไงายากนะการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายที่ท่านบอกว่าการไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นถ้าเราพูดร้ายทำร้ายมันก็แสดงผลออกมาคือความทุกข์ใช่ไหม ไอ้ความทุกข์นี้ถ้าเราแสดงออกข้างนอกมันไปเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเช่นเวลาเราไม่พอใจในตัวเองนี่เนี่ยอะไรสักอย่างอะ่ะไม่รู้ว่าเรานึกถึงอะไรแต่เขาใครขนาดนั้นใครมาถามเราไอ้ความไม่พอใจซึ่งมันมีกุ่นอยู่ข้างในแล้ก็พูดออกไปเลยเอ๊ะคนนั้นเอ๊ะเราพูดกันดีๆทําไมคุณพูดแบบนี้แต่หารู้ว่าในใจของเรามันมีอะไรอยู่แล้วเชื่อแต่ว่าเราก็ไม่ทัน เขาพูดกับเพื่อนไปเอ๊ะเมื่อก่อนเขาไม่ได้คนพูดอย่างนี้เขาเป็นคนนหนยิ้มมากนะแต่วันนี้เราู้ทาไหมเขาเครียดเขาคึอขังพูดหน้าตาไม่บอกบุญไม่รับเลยวนะนใช่ไหมเบียดเบียนคนอื่นละการไม่เบียดเบีย น, นการไม่ทำลายตนเองผู้อื่นข้อต่อมาชุดต่อมาอ่าอันที่สาม อันที่หนึ่งก็คือขันติคือมีความอดทนกันนะอันที่สองไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายตัวเองอันที่สามไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายผู้อื่นอันที่สี่เรามาปฏิบัติเนี่ยเรามีกฎมีระเบียบใช่ไหมทีสีุ่ณต้องมาทำวัดนาะที่สามครึ่งเก็ต้องตื่นนะนะนที่ห้าเราที่สี่เรามานั่งภาวนาฟังธรรมกัน ที่ห้าเราทาวัดฟังธรรมถึง6 ม, 6มงเช้าจะหกโมงเช้าถงเจดมงเราไปเดินจูงกลุ่มไปภาวนาเจ็ดโมงเชา้าเราก็มาเบรคฟาสต์เสร็มาทานอาหารเบาๆเชา้าเสร็จแล้ว8ดโมงเราก็เริ่มลุกสนามภาวนาถึงส0โมงอันนี้เราจะแจ้งตอนเย็นอีกทีนะอันนี้หมายความว่านี่คือฉันคุณที่เจ้าตัวเชื่อ ปฏิโมคจะสังวรุคือการเลืลึกว่าวันนี้เราทําอะไรต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ทําตามเวลาทางกติกาที่เราตกลงกันคือทําตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะไปเอาที่พระุทธเจ้าว่าไว้มันคนละเหตุการณ์มันคนละสมัยกันมันคนละสถานการณ์แต่สถานการของเราขณะนี้คือปฏิโมคจะสังวรุคืออนันนี้สํารวมในปฏิโมคเขาว่าสังรวมคือหมายความว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างแล้วก็ถึงเวลาเราก็ทำํำตามนั้น ไม่ต้องไปว่าป้าหน้าที่ปาตา ว, วิเหลมานี้ไม่ต้องว่าเราเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักย์อยู่แล้วไม่ต้องไปว่าเสียเวลาใช่ไหมนีอ่อากุฏอันที่ห้าปาดิโมโคเคชังวาโรเราไปมัตตัญญุตาจัปพัสสุมิ่งผู้จับประมาณในการกินในการนอนในการดึกในการใช้ของบริโภคอย่า ก, กินมากอย่าใช้มากอย่าทําอะไรให้มาก พรมันสิ้นเปิงมันเสียเวลาเราพวกผนนู้คนใช้ของสิ้นเปลืองเยอะใช่ไหมใช้ของสิ้นเปลืงว่าคุณก็เสียเวลาไปหาเงินจิงคุณก็ไม่มีเวลาที่มาสร้างอิสรภาพให้แก่ตัวเองเพราะคุณหาเงินเยอะคุณก็ถูกเวลามันล็อกแล้วแปดโมงห้าสีมเย็นทํางานอ้าวมันไม่อขอใช้อากาศกลางคืนอีกหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มคุณก็ไปทําตัวนั้น เจ็ดโมงเชา้าถึงแปดโมงเย็นทุบไม่ทําตรงนี้ในอเมริกาบอกคนทนํานสมไก่ไม่พอกินนะใช่มสิบหกชั่วโมงวันวันก็หาทำมาหากินแต่ได้เลี้ยงกิเลสอะ่ะมันไม่ได้เลี้ยงทำมาใช่สนองความอยากของตัวเองนี่เขาเรียกว่ากินเกินอยู่เกินนอนเกินใช้เกิ น, กนไม่ถึงจะประมาณตนมัตาจตุตาจัปปัตสมิงใช่ไหมเราสูญเสียสละภาพ แล้วก็ทุกสิ่งสิ่งนี้พอทุกแล้วเราก็ทำไงหาเพื่อนมาปรับทุกหาเพื่อนคู่ทุกมาช่วยกันปลดทุกพอได้เพื่อนมาทุกเรามันลดลงไหมหาเพื่อนชายด้วยกันเพื่อนหญิงด้วยกันก็อาจจะช่วยกันได้แต่ดันไปเอาเราดัานไปเอาเพื่อนหญิงถ้าเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงดันไปเอาเพื่อนชายมาช่วยให้กันทุกข์กันไปอีก มืก็ทํางานจอบเดียวพอกินเดียวนี้ทํางานสองจอบไม่พอแล้วพอเพื่อนมาช่วยกินช่วยใชยย้ด้วยใช่ไหม น, นั่นคือโทษของการไม่รู้จักประมาณมันก็จะมีเรื่องพุ่งมาเยอะแยะเลยมาตรยุตาจาัการแตสิงหปันตันจัชยานาสนังในกฎกติกานี้ท่านบอกให้อยู่คนเดียวให้นั่งคนเดียวให้นอนคนเดียวเพื่อให้เกิดความสนงบวิเวกทั้งกายทั้งใจ เพื่อนัดในการดูตัวเองศึกษาดูเองต่งางๆจะเสื่อมนาะสนิอ่าที่จิตเตจะอโยโคต้องทําจิตของเราเนี่ยให้มันละเอียดประณิตขึ้นเรื่อยๆถ้าจิตของเร า, ยยาอย่างหยาบมันต้องคิดมากใชว่าจิตยากแต่ถ้าจิตของเราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นความคิดมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็จะเบาสบายขึ้น ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นยิ่งเบาขึ้นสบายขึ้นเมื่อจิตก็เบาสบายไม่มีภาระตํ า, าคิดต้องห่วงไปไงมันก็เริ่มสว่างสวยเริ่มเห็นความจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันก็อ๋ออ๋ออ๋ อ, อเลยๆแหละที่นี่นะนั่นเรียกว่าอาทิตเต จ, จะโยโคมันพัฒนาจิต จ, จากยากเป็นละเอียดแต่ที่นี้มันก็ไปเลือกไม่ได้ เพราะจิตของเรามันยังไม่ความเพียรของเรายังไม่ถึงที่อ่าเหมือนเราขุดบอ่อตอนแรกก็ต้องเอาดินห ย, ยาบๆออกใช่ไหมเอาไปเจอพ้นจากดินหยาบแข็งๆไปเจอดินนุ่มหน่อยเพราะเรื่องจะมีน้าําใช่ไหมก็ละเอียดลงไปเอาจากดินนุ่มๆลงไปเป็นดินเลนหน่อยละเอียดลงไปเอาจากดินเลนไปเจอดินชุ่มหน่อย อาจากพุทธจากทินชุ่มเอาไปเจอชั้นหินชั้นทรายเริ่มเห็นน้ําแล้วใช่ไหมอันนี้หมายความว่าหลวงพ่อมีประสบการณ์ที่ ค, คุณบอกนะพวกคุณไม่มีประสบการณ์คุณอาจจะนึกไม่ออกก็ได้แล้วก็ถัดจากชั้นหินชั้นทรายไปเจอน้ําละเอียดมากเลยทีนี้จิตของเราก็เหมือนกันพอขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปก็ไ ป, ไปเจอความเย็นความสงบความเบาความสบาย มันก็เริ่มมีกําลังใจใช่ไหมมันก็สนุกในการขุดเพราะขุดแล้วไอ้น้ําที่ขุดมาเนี่ยขุนคลักเลยใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้ไหมไม่ได้ทําไงก็ต้องลือล้อทิ้งตักตักออกตักออกตแต่น้ําที่มันออกมาจริงๆมันไม่ได้ขุนนะใช่ไหมมันใสพอตักมันขุนเพราะอะไรขุนเพราะขี้โคนขี้ตจรปากบ่อที่เราขุดลงไปแล้วก็ต้องตักออก แต่ออกมันออกมาใสแล้วมันก็ยังขุนอยู่เพราะบ่อยังไม่สะอาดจะทําไงให้มันสะอาดอสมัยนี้เขาก็ไม่ต้องเอาอีกมาก่อดทีละก้อนเหมือนสมัยก่อนหรอกไหเอาก็บอกปูนหย่อนลงไปเลยทีแล้วบอกเราบอกแเราบอ ก, บอกไหวไหมไม่ถึงชั่วโมงอะไเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเขต้องก่อกันเป็นเดือนก่อนเสร็จเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เอา้าจ้างไปตลาดบอกมาเลยเอาท่อมาส่งลึกสิบเมตรก็มาเลยยี่สิบท่ออย่างเงี้ย สอง่อตอนหนึ่งเม็ดใส่เข้าไป20ท่อป้องกันดินเลนข้างๆจะหลงไปแล้วอัดทรายลงไปป้องกันไม่ให้มันซึมเข้ามาอัดๆๆให้แน่ๆถมดีทีคุณก็ลือน้ำเก่าออกทีนี้ไม่กี่ทีแล้วสูบไม่ถึงชั่วโมงน้ำใสเจ้วเลยทีนี้ใช่ไหมคุณนึกภาพออกไหมนี่คือสถานการณ์ไม่ได้ต่างกันเลยระหว่างรุปธรรมกับนามาทำแต่เนื่องจากว่า เราบางคนไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของรูปธรรมอันนี้คือข้อได้เปรียบของพวกหลวงพ่ อ, พอหลวงพ่อเคยเป็นเด็กบ้านนอกมามีประสบการณ์ทางรูปธรรมในการช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างแต่พวกคุณเป็นคนสมัยใหม่คุณพวกคุณนึกถึงสภาพเหล่านี้ไม่เจอเหรอกแต่ถ้าหากว่าหลวงพ่อบอกไปเจอเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะหลวงพ่อพูดเรื่องคอมพิวเตอร์คุณนึกออกทันทีเลยใช่ไหมอันนี้จะพูดในวันต่อไปแต่วันนี้ขอคุณบ่อน้ำไม่เจอนะคนก็เลยกันนัก ถ้าเราเห็นกันอย่างนี้เรามีกําลังใจไหมนี่กาลังใจทุ่มเทเพราะเห็นเส้นทางเนี่ยมันจะพัฒนาไปอย่างนี่พระพุทธเจ้าท่านตัดหลักการไม่แค่สามหนึ่งคุณอย่าเอาเรื่องไม่ดีให้สาระเนมาคิดสองไม่แต่เรื่องมีสาระมันไม่จําเป็นคุณก็ยังไม่ต้องอามาเสียเวลาคิดสแต่คุณไปห้ามสองเรื่องไม่ให้เกิดมันไม่ได้เพราะมันเป็นอ น, น้าตามันต้องเกิดต้องดับตามเรื่องของมัน อันที่สามโอเคทําหน้าที่ปัดกวาดออกทันทีแค่มันคือชำละยังพื้นของเราเนี่ยเราไม่ห้ามไปห้ามฝุ่นผมมาให้ม่จับในจังหวัดนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะห้ามเดี๋วเสือมาปูนี่ไม่ได้เสือมาปูเรานั่งได้เหมือนกับเอาของดีมาใช้อ่าไปเสือมาปูพอผ่านวันผ่านไปเดี๋ยว รถตรงนั้นเดี๋ยวหมองตรงนี้เดี๋ยวฝุ่นตรงนั้นคุณก็ต้องปัดออกเลือดออกวาดใหม่แล้วค่ยนั่งใหม่อย่างนี้เรื่อยไปใช่ไหมที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราจิตเราก็เหมือนกันของดีไม่ดีของดีก็คือของที่จะเป็นต้องใช้ของไม่ดีก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ก็ต้องเกิดขึ้นมาแต่ว่าเมื่อที่จะต้องใช้จริ ง, รงๆก็ต้องลืมทำความสะอาดใหม่หมดเราก็ต้องคลีนอัาใจเราเ ร, ารียกเสดจิตตะประยน์ธรรมนงัง ห, หลักการนะฮะการที่ไม่อนุญาตให้เรื่องร้ยๆเข้ามาในใจของเราหรือเรื่องที่จะแม่ใจส้นสมองเนะี่ยเราเรียกว่าศีลการรู้จักเรื่องที่จําเป็นเข้ามาใช้เนะี่ยเรื่องดีหมดอะแต่ว่ามันไม่จําเป็นคุณเอาไปออกไปก่อนแต่ในเรื่องจําเป็นในบางเรื่องคุณเอามาใช้ได้เลยเขาเรียกว่าสมาธิเลือกคิดได้ ถ้าคุณไม่มีสนธิมีสมผัสที่คุณทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็คุณต้องกลับมาอยู่กับตัวเองแบบไม่มีอะไรทั้งนั้นใจว่างๆโล่งๆใจสบายๆไม่มีทุกนั่นคือคุณต้องใช้ปัญญาเพราะนั้นศีลสมผัทปัญญาจึงเป็นเข้ามาประกบกับหลักการคือหลักการของการทำอันนี้คุณเห็นภาพไหมอ่า ศีลกำจัดกิเลสอย่างอย่างความเศร้าหมองความไม่ดีความคิดไม่ดีทั้งหลายเป็นกิเลสอย่างหยากเอาศีลมาชําระแล้วก็สมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางบางทีแล้วก็ไปติดความสงบใช่นอกจากเอาสิ่งที่ดีๆออกมาแล้วจิตมันก็ไปติดสงบติดสมาธิติดฤทธิติดเดติดฌานติดปฏิหารติดไปทางนู้นไปติดในสิ่งที่ดี แต่ถ้าว่าคุณดูมันตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือมายาของจิตนั่นเองเพราะเราก็เคยคิดดีมาเยอะใช่ไหมมันก็ต้องมาปรากฏแต่ในวิธีการของหลโพ่อเทียนหรือของพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่เอาทั้งสองอย่างเพราะมันไม่ใช่ทางดับทุกข์ทางดับทุกข์ทั้งดีไม่ดีคุณเอาทิ้งให้หมดให้หมาเหลือแต่จิตที่สะอาดล้วนๆจิตที่ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าจิตว่างหรือว่างจากจิตนะ่นเอ จิตที่มันเกลี้ยกล่ำใส่ศาสตร์แค่นั้นนหะไม่มีเลือกฤิธิเดชกระดิหันเข้ามาเอาสมาธิก็ไปเอาเรื่องศีลจะไปยึดมันกินคือศีลกินเจเคร่งคาดในศีลเข้าไม่เอาอันนั้นคือมันเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่ตัวที่เราจะต้องการเมื่อขุดบ่อเนี่ยคุณไม่ใช้จอบใช้เสียมใช้สว่านใช้แฉลงเนี่ยคุณจะขุดไปไหวไหมไม่ไหวศีล ส, สมาธิปัญญา ก, ก็เป็นเพียงเครื่องมือ เพื่อให้ได้ดาวสะานันะนี่คือความหมายที่เราอยู่ตงทํานะแล้วอันนี้คือหลักการทั้งสามอย่างนี้เราเอาศีลสัสมธิปัญญาเข้ามาทำงานแทนแต่วิธีการที่เขาบอกว่าอย่างเมื่อกี้อ่ะหนึ่งอะไรจำได้ไหมอดทนอดกัน้นขุดสองไม่พูดร้ายไปทำร้ายกันตัว 3. ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายผู้อื่น 4. ต้องมีกฎระเบียบ ม, มีแบบมีแผนในการทำา5รู้จักประมาณในการใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อกินน้อยอยู่น้อยแล้วเราจะได้มีเวลาเยอะๆในการที่จะมีบำเพ็ญภาวนาหาอิสรภาพให้แก่ตัวเอง 6. อยู่ในที่อันสงบสงัด อย่าไปคุกครีไปพูดคุยไปถามไถ่อะไรในช่วงที่ภาวนาต้องอยู่ใครอยู่มันไม่พูดกันได้ไถ้าจําเป็นต้องพูดก็ต้องพู ด, ตพดแต่เท่าที่จําเป็นนะไม่ต้องไปถามไถ่กันเราคุณมาจากไห น, นทํางานอะไรเงื่อนเดือนคุณเท่าไหร่ไม่ต้องมาถามถามว่าห้องน้ําอยู่ไหนครับกินข้าวเวลาเท่าไหร่ครับนอนเวลาเท่าไหร่อุปสงค์ ไม่สบายเนี่ยมียาบ้างไหมครับเท้าก็ได้เรื่องเหลนี้นะ น, นี่เขาเรียกว่าอยู่ในทีน่อันสุดท้ายอันที่หทําจิตให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจากอยากจากกลางละเอียดขึ้นไปเหมือนกับคุณขุดออกสิ่งหยากๆออกไปเพื่อจะไปเจ อ, เจอน้าพระเยซนะีนี่คือหลักการที่กูชอบจั ด, ดได้ รวมแล้วหลักการ3วิธีการ6กมีเป็น9คําคำสอนบุรุเจ้ามีแค่นั้นใบไม้กระมือเียแต่รายละเอียดเยอะมากแป0 0หือพข้ออันนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดเหมือนกับระบบทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแค่ว่าคุณไปหิวข้าวคุณก็แล้วข้าวมาหุงทำกับข้าวกินเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าว่าจัดเป็นระบบโอ้โหเยอะมากเลยนะ ขอโทษจะเป็นระบบกลัวคุณจะได้ข้าวมาหงเนี่ยมันผ่านขบวนการมามากมายนี่ขบวนการเพ่าจะได้อาหารมาปรุงเนี่ยโอ้โหมันต้องผ่านฟาร์มผ่านโรงงานผ่านคนทำงานผ่านพ่อค้าผ่านคนกลางผ่านคนไกล่การตาลาดมากมายอันนี้คือระบบ่นันกล า, ากลางผ่านคลงผ่านคนก่คลง่คือละบบแกลาขบนคกลางทีง่าน้มาพู่ถึางผนั้น แต่ในเมื่อจะเอามาทําริงๆแค่แค่นั้นน่ะคุณหิวข้าวคุณก็ไปดักข้าวมาแช่น้ำแล้วก็มาหงุงเราทำกับข้าวนิดหน่อยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงได้กินข้าวแต่สิ่งกวัวจะได้สิ่งเหล่านี้มามันมีที่ไปที่มานานมากคุณนึกออกไหมอันนี้คือเรื่องทฤษฎีกับภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติคุณหิวข้าวคุณทากับข้าวนึกข้าวข้าวไม่ถึงสองชั่วโมงคุณได้กินแล้ว แต่ในภาคทฤษฎีกูจะได้ขบวนการกูจะสิ่งเหล่านี้มาถึงเราคุณต้องหาเงินตลอดชีวิตเตรียมไว้เพื่อจะไปซื้อขอบวนการอนี้มาเพื่อตัดตอนในสิ่งนหล่านั้นมาให้มันได้ตัดต้งการเท่านั้นเองแต่คุณจะไปลงมือทําไรทำหน้าหาของอะไรอย่งเโอ้ก็เสียเวลาเยอะเนาะก็สมัยนี้คนก็เลยไปติดขบวนการเตรียมเงินเพื่อได้ขบวนซื้อขอบวนการเหล่านี้มาเท่านั้นเองเราไม่ใช้เวลาเท่าไหร่ตลอดชีวิตไม่คุ้มกเลย เพราะนั้นวิธีการที่จะให้มันคุณคุณก็รู้จักกินน้อยใช้น้อยบริโภคน้อยเอาไว้ไม่ต้องใช้มันมากเพราะคุณจะได้มีเหลือมีเวลาเหลือที่จะสแสวงหาศีลธรรมให้แก่ชีวิตแล้วก็เมื่อคุณเข้าถึงศีจธรรมนเรื่องอายุน้อยเนี่ยคุณก็มีเวลาแบ่งปันศีจธรรมที่คุณเข้าถึงให้แก่สรรพสัตว์ในโลกยาวนานใช่ไหมบุทรเจ้าเข้าถึงอายุแค่35ปีท่านใช้วเวลาอีก4ี่ปีแบ่งปัปปกกนประสบการณ์ของท่าน จนกายมามาถึงเราจ ถ, ถึงปัจจุบันใช่ไหมแต่ท่านจะไปครองราดถึงอายุ 70-80 เราจะมีวันนี้ไหมไม่มีผุ้ศาสนาไม่เกิดนี่คือคุดูุปการที่เราเห็นความสำคัญของชีวิตแทนที่จะตกเป็นทาสของกิเลสไปตลอดชีวิตกองกระดุกทับถมกันเป็นรู้กี่เท่าไหร่เกิดมาเรียนหนังสือหาเงินแต่งงานเลี้ยงลูก แล้วก็จบเดี๋ยวคุณก็เวียนมาอีกอย่างนั้นแหละร้อยชาติฟันชาติหมือชาติแสนชาติไม่รู้จะจบใช่ไหมแต่ถ้าคุณมารู้ความจริงใช่เนี่ยคุณทําให้มันจบได้ในชีวิตนี้แล้วคุณมีเวลาเหลือคุณก็แชร์ประสบการณ์ของคุณต่อสัมพัสต์ต่อคนทั้งหลายในโลกสินั่นคือกําไรชีวิตถ้าคนคู่ขนรู้ความจริงอย่างนี้นะใครไม่ไปหมกมั่วเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวให้เสียเวลาตลอดชีวิตแล้ว อะไรชีวิตทั้งชีวิตคุณได้แค่นี้เองอะแต่ชีวิตคุณมีค่ามาหา ศ, าศาลนะคุณคุณจะเกิดมาคุณจะเกิดมาเป็นมนุษย์คุณสะสมบุญคุณงามความดีมาแค่ไหนหลายภพหลายชาติคุณจะได้ชีวิตนี้มาแล้วคุณไม่ใช้มันแค่ไปหาเงินแต่งงานเลี้ยงลูกแค่นั้นเลยเหรอชีวิตเสียดายใช่ไหมแต่คุณก็พลาดมาแล้ว <laughs> แต่ไม่เป็นไรมีเวลาเริ่มใหม่ตั้งต้นใหม่เสมอนะเช้าๆนี่คุยนีย่แค่นี้ก็พอเดี๋ยวตอนเย็นไม่มีเรื่องคุยกั น, นคนมาที่หลังจะเสียเปรี่ยบนะนะขอ บ, บูชาสาธุความที่เราได้คุยกันคนมาก่อนก็ได้ของดีก่อนเนาะแล้วเราก็ออกไปเดินผ่อนคลายดีแหละตั้งแต่นี้ไปเดินเจ็ดมงใช่ไหมแล้วก็มารับอาหารเช้าโอเคเรากราบงกัน